อะไรอีกอะไอเอศมาลานเข้ากร์ลอดดูดูนนดูอะไรโผล่มาไปดูดิมามาเรื่อยๆเาื่อยเออเรื่อยไอเดียอะไรอเงี้ยออเน้อขึ้นไปเปนเรื่อไอเดีย มาเลยมาเลยตีบไอเี่ยนผู้ชหมเอาไเลยปยังเ่ยไเนยตด้บ้มันอยาเจอไปโหก็มนเลยเด็กเก่งนเลยอเเลย ว่าตรงนี้นี่ย้เย้โค้งหั้นโค้งนนนนนนนนนนโค้งหัวขั้นไปเย้เย้มึงเอาเคสน่าไลน์มาโค้ดเย้ไปรีคอร์ดกันนัเฮ้ยเย ไอเอะวางได้มันได้านได้อเคียเอ๊คกนีอไรเี่ยเดี๋ยวก็จะกำนนอยู่ดีกโอ้ยขอองันได้มาไอเอ๊อยา้หนเอ๊โอ้ย อะไรเออไเอ๊ะ เ, เดียมัมันจะลอลกเรไปเดี๋ยวปู้โหันกูไปนีก่อนนีก่อนไอเอ๊ะดีก่อนก็ทำนั้นไอเอ๊ะโอ้ยเอมึงจะตาบาย เอียเอียมึงยังแต่ปดอเอียย่ามม่ควรจะตายเหมโอนกันผัวเอีย เจออะไรวักแต่เราวันเดียวเราไม่รู้เ เมกี้นเนี่ยเีไก่กอยู่นัี้ไกตทไว้บอกกี่ฟ้ารียไกแล้วเมื่อกี้ได้ทำวิ่เท่าไรขายออกกนูเอาบ้าล่ะบบคุยไหมบอกค่าน้ามันรถปสร็จบอกค่าน้ามันรถเอาขายเสื้อดีด้วยังไงตะเดี๋ยวก็เอาเงินค่าเสื้อมาเดี๋ยวกน นี่อยูไเอาไว้เลยน้าไม่อ้าพี่ผัวหนูใา่ขวางได้สามสี่บาสมสี้นนี่เสียงรอะามีอย่างารปีอ่างสิเสียกูรูแบบบริษัทรูปแบบบริษัทคือเสียกูเข้าระบบล้งหดเสื้อกูจะไม่ได้สักตัวแล้วหูแล้วเงินขอกูอีกไปเอาเสื้อไวมกูไปเอาเสื้อไว้กูแต่ปดนะ เรื่ อ, อ, องมงมกอโไม่ไม่ต้องพูดมึงเล ย, สาสยตากสวยเฉยแดกฟรีเหมือนดันมึงมบ<อ>บแบะไอ้เฮีย่อยี่โมงบอข่ยากไอ้เฮียรีดไถแล้วแล้วกูจะไม่หยุดแลเป็นตัวที่ส่งไอ้เบิร์ดมาจาัด ก, การร้านกูไม่มีหลักฐานลุงเฮียลุงง้องแม่งเอนบอแนบอแบนไอ้ปาไปจับเบิร